ในบรรดาธรรมทั้งหลายไม่มีธรรมอันใดที่จะมีความสำคัญเท่ากับสติธรรมสติธรรมมีความสำคัญมากกว่าธรรมทั้งปวงพระพุทธเจ้าทรงเปรียบสติธรรมไว้เหมือนกับรอยเท้าช้าง เป็นรอยเท้าที่ใหญ่กว่าสัตว์ทั้งหมดในป่าเพราะเหตุใดสติธรรมจึงมีความสำคัญกว่าธรรมทั้งหลายก็เพราะว่าสติธรรมเป็นผู้ให้กำเนิดธรรมทั้งหลายนั่นเองถ้าไม่มีสติธรรมแล้วธรรมต่างๆ จะเกิดขึ้นไม่ได้เช่นทานศีลสมาธิปัญญาวิมุติการหลุดพน้นจากความทุกข์ทั้งหลายจะไม่สามารถเกิดขึ้นมาได้เหมือนกับพวกเราถ้าไม่มีบิดามารดาพวกเราจะไม่สามารถเกิดขึ้นมาได้ ถ้าพระพุทธเจ้าไม่มีพระราชบิดาไม่มีพระราชมานดาพระพุทธเจ้าก็จะทรงประสูติขึ้นมาในโลกนี้ไม่ได้นี่คือความสำคัญของสติผู้ที่ไม่มีสติเป็นอย่างไรเช่นคนสลบ คนสลบหมดสติไม่รู้เรื่องราไคนนอนหลับคนตายคนบ้าคนเสียสตินี่คือลักษณะของผู้ที่ไม่มีสติคนเหล่านี้จะไม่สามารถทำทานได้ไม่สามารถรักษาศีลได้ไม่สามารถนั่งสมาธิได้ ไม่สามารถเจริญปัญญาได้ไม่สามารถบรรลุวิมุติหลุดพน้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้นี่คือบุคคลที่ไม่มีสติอีกบุคคลหนึ่งที่ไม่ได้กล่าวถึงก็คือคนที่เมานี้เองคนที่เมาก็เป็นคนที่ขาดสติไม่มีสติจะไม่สามารถทำ ทานรักษาศีลภาวนาได้พวกเราก็เป็นพวกที่มีสติแต่ยังมีไม่ครบร้อยมีไม่เท่ากันเราจะรู้ว่าเรามีสติมากน้อยก็ดูการปฏิบัติของเราเราทําทานได้มากน้อยเพียงไรเรารักษาศีลได้มากน้อยเพียงไร เรานั่งสมาธิได้มากน้อยเพียงไรเราเจริญปัญญาได้มากน้อยเพียงไรเราหลุดพ้นจากความทุกข์ได้มากน้อยเพียงไรทั้งหมดนี้มีสติเป็นตัววัดถ้ามีสติมากก็จะทำทานได้มากรักษาศีลได้มากเจริญสมาธิได้มากเจริญปัญญาได้มาก หลุดพ้นจากความทุกได้มากถ้ามีสติน้อยก็จะทำทานได้น้อยรักษาศีลได้น้อยนั่งสมาธิได้น้อยจเจริญปัญญาได้น้อยหลุดพ้นจากความทุก์ได้น้อยนี่แหละคือสิ่งที่พวกเราควรที่จะให้ความสําคัญ ก็คือสติการจเจริญสติดังที่ทรงตรัสไว้ว่าสติเป็นสิ่งที่จำเป็นในทุกกรณีไม่ว่าจะทำอะไรไม่ว่าจะเป็นทางโลกหรือทางธรรมถ้าปราศจากสติแล้วจะไม่สามารถทำให้สำเร็จดุ่งรุ่งได้นี่คือ ที่พวกเราควรที่จะให้ความสำคัญถ้าเราปรารถนาทำต่างๆถ้าเราปรารถนาความหลุดพ้นจากความทุกข์ปรารถนาความสิ้นสุดของการเวียนว่ายตายเกิดเราก็จะต้องเจริญสติขึ้นมาให้ได้ สิ่งที่จ ะ, จ ะ, จะเจริญสติให้เกิดขึ้นได้ก็คือวิริยะความอุสาหาภาคเพียรต้องมีความภาคเพียรมีความขยันที่จ ะ, จะเจริญสติอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ตื่นจนหลับต้องรักษาสติไว้เหมือนกับรักษาเพชรน้ำหนึ่งรักษาทรัพย์สมบัติอันล้ำค่า ถ้าเรามีสมบัติอันล้ำค่าเช่นเพชรเราจะทำอย่างไรเราก็ต้องคอยดูแลรักษาตลอดเวลาไม่ให้หายจากเราไปฉันใดสตินี้มีคุณค่ายิ่งกว่าเพชรที่มีคุณค่าอันมหาศาลเพราะเพชรนี้ไม่สามารถที่จะ ทำให้เราหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้แต่สตินี้จะทำให้เราสามารถหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้สติจึงมีคุณค่ามากกว่าเพชรที่มีราคาอันมหาศาลเราจึงต้องรักษาสติ แล้วสร้างสติขึ้นมาเกีเหมือนกับเรารักษาเพชรแสวงหาเพชรนะถ้าเรามีวิรทยะความภาคเพี่ยนเราจะสามารถที่จะส ร, สร้างสติขึ้นมาให้ได้อย่างต่อเนื่องเมื่อเรามีสติอย่างต่อเนื่องเราก็จะสามารถทําทาน ได้อย่างเต็มที่สามารถรักษาศีลได้อย่างเต็มที่สามารถภาวนาได้อย่างเต็มที่นั่งสมาธิได้อย่างเต็มที่เจริญปัญญาได้อย่างเต็มที่ทั้งหมดนี้เริ่มต้นที่สติกับวิริยะคือต้องมีความขยันหมั่นเพียรในการที่จะ จเจริญสติอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ตื่นจนหลับจะต้องถือการจเจริญสติเป็นหน้าที่หลักส่วนหน้าที่การทํามาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องหรือดูแลรักษาร่างกายดูแลรักษาสิ่งต่างๆที่มีอยู่นี้ให้ถือเป็นหน้าที่รองไม่ใช่หน้าที่หลัก หน้าที่หลักต้องสติทำอะไรต้องมีสติอยู่กับทุกหน้าที่ทุกอาการเคลื่อนไหวของร่างกายและจิตใจที่จะทำให้เกิดสตินี้เรียกว่าสิ่งที่จะทำให้เกิดสติขึ้นมาเรียกว่ากรรมฐาน กรรมฐานนี้มีอยู่สี่สิบชนิดด้วยกันที่จะสามารถผลิตให้เกิดสติขึ้นมากรรมฐานแปลว่าอะไรกรรมแปลว่าการกระทําการงานฐานคือที่ตั้งของงานงานคืองานอะไรก็งานเจริญสตินี่เองงานสร้างสติ การจะสร้างสตินี้จำเป็นจะต้องมีกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งในบรรดากรรมฐาน40ชนิดด้วยกันที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ถ้าต้องการทราบรายละเอียดว่ามีอะไรบ้างสมัยนี้เรามีกูเกิ e เราสามารถเข้าไปค้นหาได้ไม่ต้องมาถามเราให้เสียเวลา เพราะเราจำไม่ได้สู้กูเกิลไม่ได้กูเกิลนี่ทำจำได้ทุกอย่างอยากจะรู้อะไรเดี๋ยวนี้สบายมากสบายกว่าสมัยก่อนไม่ต้องไปหาครูบาอาจารย์หากูเกิลอาจารย์ใหญ่ในยุคดิจิตอลต้องกูเกิลอยากจะรู้ธรรมะข้อใดเขียนเข้าไปเลย แล้วกูเกิลก็จะหาให้ถ้าหาแล้วไม่พอใจไม่เข้าใจค่อยมาถามแล้วจะอธิบายให้ฟังแต่เบื้องต้นขอให้ไปหา Google ก่อนเพราะว่าเราไม่ใช่ Google เราจำไม่ได้หมดเช่นกรรมฐานสี่สิบาานี้เราก็จำไม่ได้หมดจำได้ว่ามีอนุสติสิบอนุสติก็คือ การตั้งสติและวเลิกถึงธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นเราเลิกถึงพระพุทธเจ้าก็เรียกว่าพุทธานุสติแล้เลิกถึงพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าก็เรียกว่าธรรมานุสติแล้วเลิกถึงพระอริยสงสาวกก็เรียกว่าสังขานุสติแล้วเลิกถึ ง, งลมหายใจเข้าออกก็เรียกว่าอานาปนาสติ เราลึกถึงเทวดาก็เรียกว่าเทวานุสติเราลึกถึงความตายก็เรียกว่ามรณานุสติเราลึกถึงร่างกายการเคลื่อนไหวของร่างกายก็เรียกว่ากายกตาสตินี่คือเรื่องของสติเรื่องของการผลิตสติด้วยเครื่องมือ สี่สิบชนิดด้วยกันนอกจากอนุสติก็มีพรหมเวหาสี่การเจริญเมตตากาุณามุทิตาอุเบกขาก็เป็นการเจริญสติได้เหมือนกันหรือการพิจารณาศพสิบลักษณะของซากศพศพที่ตายใหม่ศพที่ตายขึ้นอืด ศพที่ถูกแรงกากัดชิ้นส่วนอวัยวะกระจัดกระจายศพที่แห้งศพที่กลายเป็นดินกลายเป็นอะไรไปนี่ก็เป็นการผลิตสติได้เป็นเครื่องมือที่จะผลิตสติได้แล้วก็มีกระสินสิบประการ เกษินก็คือสีต่างๆการจะกำหนดสีให้จิตนำเลืกถึงสีใดสีหนึ่งอยู่ตลอดเวลาอันนี้ก็เรียกว่าเกสินสิบมีอยู่สิบชนิดต้องเข้าไปค้นคว้าดูเอาจากตำราแต่เท่าที่ ครูบาจารย์ได้นำพาปฏิบัติกันก็จะมีอยู่สองเป็นหลักสองสามเป็นหลักคือหนึ่งพุทธานุสติคือการระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธคุณเช่นสวดบทอิทิปิโสอรหังสัมมาสวอรหังสัมมาหรือการบริกรรมพุทธโธพุทธโธไป อันนี้ก็เรียกว่าเป็นการเจริญพุท ธ, ธานุสติหรือการใช้ร่างกายเป็นที่เกาะติดของสติคือให้จิตจดจอ่อเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายในทุกอิริยาบถไม่ว่าจะเดินจะยืนจะนั่งจะนอนจะทำอะไรจะหันหน้าไปทางซ้ายหันหน้าไปทางขวา จะขบฉันจะดื่มจะรับประทานจะขับทายจะทำอะไรเกี่ยวกับร่างกายให้มีสติเฝ้าดูอยู่ตลอดเวลาอันนี้ก็เรียกว่ากายกัตาสติแล้วถ้าเวลานั่งเฉยๆนั่งหลับตานั่งขับสมาธิ ก็ให้ใช้อานาปนานสติให้ดูลมหายใจเข้าออกให้ดูอยู่ที่จุดใดจุดหนึ่งที่ชัดเจนที่เห็นลมได้อย่างชัดเจนเช่นแถวบริเวณปลายจมูกหรือเหนือริมฝีปากขึ้นมาจะเป็นจุดที่ลมจะสัมผัสเวลาเข้าออกหรือ จะมารู้สึกอยู่ที่ท่ามกลางอกก็ได้เวลาลมเข้าจะรู้สึกว่าพองขึ้นมาเวลาลมออกก็รู้สึกยุบลงไปบางสำนักก็สอนให้บริกรรมยุบหนอพองหนอลมเข้าพอหน้าอกพองก็เรียกว่าพองหนอลมออก พอหน้าอกยุบลงไปก็เรียกว่ายุบหนอนี่คือที่มาของคําว่ายุบหนอพองหนอแต่ความจริงเป็นการเจริญอาณาปณสติการดูลมหายใจเข้าออกหรือดูที่ปลายจมูกก็ได้ลมเข้าก็รู้ว่ามีลมสัมผัสอยู่แถวบริเวณปลายจมูกลมออกก็รู้ว่ามีลมสัมผัสอยู่ตอน ปลายจมูกไม่ต้องตามลมเข้าไปไม่ต้องตามลมออกมาให้เฝ้าดูอยู่ที่จุดเดียวเรียกว่าอานาปนาสติจะเหมาะกับเวลาที่นั่งขัดสมาบิหลับตาเวลาเดินจงกรมก็ให้ดูการเคลื่อนไหวของร่างกายเช่นเท้าว่าตอนนี้เท้ากำลังก้าวเท้าไหนอยู่ เท้าซ้ายเท้าวขวาเดินจงกรมก็ไม่ต้องเดินแบบเด็กหัดเดินเดินแบบพระบินบาทเดินแบบสบายสบายไม่เร็วเกินไปไม่ช้าเกินไปยกเว้นในกรณีที่มีความง่วงนอนอาจจะต้องเดินให้เร็วขึ้นเพื่อทำลายความง่วงหรือให้เดินถอยหลังก็ได้ เพื่อแก้ความง่วงอันนี้เป็นอุบายพิเศษในกรณีพิเศษแต่ในกรณีปกติก็ให้เดินไปเดินมาประมาณยี่สิบห้าเก้ายี่สิบห้าเก้านี้ถือว่าปานกลางถ้ายาวก็สี่สิบเก้าถ้าสั้นก็สั้นกว่ายี่สิบห้า แต่ถ้าสั้นมากก็จะทำให้เวียนศรีศรษะได้ยันก็ต้องรู้จักประมาณของระยะทางเดินจงกรมว่าควรจะสั้นจะยาวขึ้นอยู่กับสถานที่ด้วยว่ามีเนื้อที่ให้เดินหรือไม่ถ้าเนื้อที่มันแคบมากแต่เช่นขังตัวเองอยู่ในห้องเพื่อควบคุมอารมณ์ ควบคุมตาหูจมูกร่้นกายไม่ให้ออกไปสัมผัสรับรู้กับรูปเสียงกลิ่นรสผลตพะอยู่ในห้องอาจจะใช้วิธีเดินเดินหน้าแล้วก็เดินถอยหลังไม่ต้องกลับถ้ากลับแล้วมันจะเวียนศรีรษะเพราะมันอาจจะเดินได้เพียงสิบเก้าเดินเดินไปสิบเก้าแล้วก็เดินถอยหลังสิบเก้า เอามือยันไว้ข้างหลังเพื่อเดินไปชนฝาจะได้รู้ว่ากำลังจะชนฝาอันนี้ที่ต้องเดินเพราะอะไรเพราะว่าการจเจริญสติในท่านั่งอย่างเดียวมันทําไม่ได้เพราะร่างกายมันต้องมีการเปลี่ยนอิริยาบถเพื่อลมจะได้ไหลเวียนสะดวกร่างกายจะไม่ต้องพิกลพิการ แต่การภาวนานี้ต้องทำการเจริญสตินี้ต้องทำตลอดเวลาอย่างนั้นเมื่อนั่งไม่ไหวก็ต้องลุกขึ้นมาเดินเมื่อไม่มีที่เดินมีแต่ที่ที่อยู่ในห้องก็ต้องใช้การเดินแบบเดินไปข้างหน้าแล้วก็เดินถอยหลังถ้าเดินแล้วหมุนกลับนี้เดี๋ยวมันจะเวียนศีรษะเพราะว่ามันสั้นเกินไป แล้วเดินก็อาจจะต้องเดินช้าหน่อยเพราะระยะมันสั้นถ้าเดินเร็วปุ๊บปั๊บมันก็สุดทางแล้วอันนี้เดินเพื่อผ่อนคลายอิริียบทแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ให้เสียงานเจริญสติควบคู่กันไปที่เดินจงกรมนี้ก็เพราะต้องการที่จะผ่อนคลายอิริียบท ของร่างกายให้สม่ำเสมอไม่ให้หนักไปในท่าใดท่าหนึ่งเพราะจะทําให้ร่างกายเจ็บปวดขึ้นมาได้นอนอย่างเดียวก็ปวดได้นั่งอย่างเดียวก็ปวดได้ยืนอย่างเดียวก็ปวดได้เดินอย่างเดียวก็ต้องก็ปวดได้ก็ต้องมีการเปลี่ยนเอียร์ยาปวทั้งสี่เวลาที่เราทําอินทรีย์สังวร ควบคุมตาหูจมูกรินกายขั้งตัวเองอยู่ในห้องเราก็ต้องมีการเปลี่ยนอิรรยาบทต่างๆเราก็ต้องปรับการเปลี่ยนพิเรยาบทให้เข้ากับสถานที่ที่เรามีอยู่แต่งานหลักของเราก็คืองานเจริญสติตราบใดที่เราไม่ได้นอนหลับตราบนั้นเราต้องเจริญสติอยู่เสมอ การเจริญสตินี้เพื่ออะไรเพื่อดึงเพื่อดึงใจให้ตั้งอยู่ในปัจจุบันถ้าเราเกาะติดอยู่กับร่างกายใจก็จะอยู่ปัจจุบันเพราะร่างกายนี้อยู่ปัจจุบันตลอดเวลาอยู่กับลมก็จะกลับมาอยู่ที่ปัจจุบันอยู่กับพุทโธก็จะกลับมาอยู่ที่ปัจจุบันถ้าไม่มีสติแล้วใจจะลอยไปอดีตได้ ถ้าไปคิดถึงเรื่องที่เกิดขึ้นที่ผ่านมาแล้วอันนี้ก็ใจไปอดีตแล้วไม่ได้อยู่ในปัจจุบันถ้าไปคิดถึงเรื่องที่ยังไม่เกิดขึ้นเรื่องหนวันข้างหน้าก็เป็นเรื่องของอนาคตนะใจก็ไม่อยู่กับปัจจุบันแล้วถ้าใจไม่อยู่กับปัจจุบันใจจะไม่นิ่งใจจะไม่สงบใจจะไม่สามารถเข้าสู่สมาธิได้ เข้าสู่ธรรมที่มีความสำคัญระดับที่สองต่อจากสติก็คือสมาธิเพราะว่าถ้าใจได้สมาธิแล้วใจจะมีความสุขมากใจจะได้ผ่อนความกดดันของกิเลสตัณหาได้สมาธินี้จะมาช่วยผ่อนคลายความกดดันของความอยากต่างๆ ของความโลภของความโกรธของความหลงจะทําให้ใจเย็นใจสบายอยู่เฉยๆเป็นสุขไม่ต้องทําอะไรอันนี้จึงเป็นธรรมที่สําคัญรองจากสติเป็นผลที่เกิดจากการเจริญสติอย่างต่อเนื่องแต่จะได้สมาธิอย่างเต็มที่นี้จําเป็นจะต้องนั่งเฉยๆไม่ทําอะไร ถ้าร่างกายยังมีการเคลื่อนไหวอยู่ก็หมายถึงว่าใจยังต้องทำงานอยู่เพราะใจเป็นผู้ควบคุมร่างกายนี้เองเหมือนกับรถยนต์ถ้ารถยนต์ยังเคลื่อนไหวอยู่ก็แสดงว่าคนขับรถยังต้องทำงานอยู่คนขับรถจะพักไม่ได้ถ้าคนขับรถอยากจะพักต้องทำอย่างไรต้องจอดรถก่อนจอดรถแล้วดับเครื่อง ทีนี้คนขับรถก็จะพักได้จะดื่มน้ำจะรับประทานอาหารจะหลับจะนอนก็จะทำได้จัไใดใจก็เหมือนกันการที่ใจจะเข้าสู่สมาธิเข้าสู่ความสุขความสงบใจต้องร่างกายต้องอยู่เฉยๆใจจะได้ปล่อยวางร่างกายได้ไม่ต้องคอยควบคุมคอยสั่งให้ร่างกายขยับขยื่น ใจจะเข้าสู่สมาธิได้ร่างกายต้องนิ่งก่อนเขาเรียกว่ากายวิเวกจิตถึงจะวิเวกวิเวกก็คือสงบสงัดกายสงบสงัดแล้วใจก็จะสงบสงัดได้ถ้าใจได้ความสงบแล้วใจจะมีฐานมีพลังมีกําลังที่จะต่อสู้กับข้าศึกศัตรูที่หลอก ที่ฉุดลางให้ใจไปเวียนว่ายตายเกิดเป้าหมายของการปฏิบัติของการเจริญสติและการเจริญธรรมต่างๆนี้มีไว้เพื่อปลดใจให้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดสิ่งที่ทำให้ใจต้องไปเวียนว่ายตายเกิดก็คือตัณหาความอยากหรือความโลภความโกรธความหลง ตัวเดียวกันแต่เวลาที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงก็ทรงสลับแต่สลับชื่อแต่เป็นตัวเดียวกันตันหาความอยากก็คือความโลภนีอน่อยากได้น่นอยากได้นี่อยากดูนั่นอยากอยูน่นี่อยากเป็นนั่นอยากเป็นนี่ก็เรียกว่าเป็นความโลภส่วนความโกรธก็เป็นผลที่เกิดจากเวลาที่ไม่ได้ตามใจอยาก อยากได้อะไรแล้วถูกคนอื่นมาขัดขวาง <d> ก็จะเกิด <d> ก็จะโกรธคนที่ขัดขวางขึ้นมาอันนี้ก็เป็นกิเลสเป็นวิภวตัณหาความความอยากได้แล้วไม่ได้หทังใจอยากก็เกิดความโกรธความเกลียดขึ้นมาไม่ชอบขึ้นมาไม่อยากเจอหน้าคนนั้นคนนี้ ขึ้นมาก็เป็นวิภาวะตัญหาสรุปแล้วก็คือถ้าพูดถึงตัญหาก็หมายถึงกิเลสถ้าพูดถึงกิเลสก็หมายถึงตัญหาถือว่าเป็นพี่เป็นน้องกันเป็นพวกเดียวกันเป็นญาติเป็นตระกูลเดียวกันนามสกุลเดียวกันถ้าเจอนามสกุล น, นี้ต้องถอดถอนออกให้หมด ถ้าใครมีนามส ก, กุลว่าตันหามีใครมีนามส ก, กุลว่าโลภโกรดหลงก็ขอให้ถอดถอนมันให้หมดถ้าไม่อยากจะต้องไปเวียนว่ายตายเกิดเพราะตระกูลนี้มันจะฉุดลากให้ใจต้องไปเวียนว่ายตายเกิดอย่างไม่มีวันจบไม่มีวันสิ้นนั่นเองและสิ่งที่จะสามารถต่อสู้กับตระกูลนี้ได้ก็คือความสงบก็คือสมาธิ ถ้าไม่มีสมาธิแล้วจะสู้มันไม่ได้ถึงแม้จะมีปัญญารู้ว่านี่คือความโกรธนี่คือความโลภนี่คือความหลงแต่ไม่มีกําลังที่จะหยุดมันได้คนที่ไม่มีสมาธิเวลาโกรธก็หยุดความโกรธไม่ได้เวลาโลภ ก, ก็หยุดความโลภไม่ได้เวลาอยากได้อะไรก็ยับยั้งหกข้ามจิตใจไม่ได้ แต่ถ้ามีสมาธิแล้วยับยังได้พอปัญญาบอกว่านี่คือความโลภ ก, ก็หยุดได้พอปัญญาบอกว่านี่คือความโกรธก็หยุดได้พอปัญญาบอกว่านี่คือตันหาความอยากก็จะหยุดได้อันนี้ต้องมีสมาธิและมีปัญญาถึงจะสามารถต่อสู้ กับข้าศึกศัตรูหรือผู้ที่ฉุดลากใจให้ต้องเวียนว่ายตายเกิดอย่างไม่รู้จักจบจากสิ้นก่อนที่จะมีปัญญาได้ก็ต้องมีสมาธิก่อนถ้ามีสมาธิแล้วก็จะสามารถเห็นทุกข์ได้การเห็นทุกข์ก็คือปัญญาเห็นทุกข์ว่ามันอยู่ในใจเรานี้เอง เห็นว่าต้นเหตุของความทุกข์ก็คือความอยากนี่เห็นว่าการจะดับความทุกข์ก็ต้องดับด้วยมรรคมรรคก็คืออะไรมรรคก็คือการเห็นโทษของความอยากการเห็นทุกข์ในสิ่งที่อยากได้ว่าสิ่งต่างๆในโลกนี้ที่ตัณหาความอยากอยากได้นี้มันไม่ได้เป็นความสุข ที่แท้จริงมันเป็นความทุกในรูปแบบของความสุขมันเป็นความสุขปลอมมันเป็นความทุกแท้สุขภายนอกสุขที่เปลือกทุกที่เนื้อเหมือนกับน้ําตาลเคลือบอยาขมไอนี้ก็ความสุขเคลือบความทุกเวลาอยากได้อะไรก็ไปหามา เวลาได้มาก็ดีอกดีใจแล้วต่อไปก็จะเกิดความทุกข์ตามมาเพราะทุกข์เพราะต้องรักษาทุกข์เพราะความหวงทุกข์เพราะความห่วงแล้วก็ทุกข์เพราะความสูญเสียได้อะไรมาต้องเสียสิ่ง น, นั้นไปไม่เสียไปก็ต้องจากเขาไปนี่คือ สิ่งต่างๆที่ตันหาอยากได้เป็นอย่างนี้ทั้งนั้นถ้ามีปัญญาสอนใจว่าอย่าไปทําตามความอยากเพราะการทําตามความอยากไม่ใช่เป็นการเข้าหาความสุขแต่เป็นการเข้าหาความทุกข์พอเห็นอย่างนี้ถ้ามีสมาธิก็จะหยุดได้ถ้าไม่มีสมาธิหยุดไม่ได้ อย่างตอนนี้ญาติอยู่รู้แล้วนี่ว่าตัณหาเป็นอย่างไรอยากได้เงินยังอยากได้เงินกันอยู่หรือเปล่าหยุดหยุดได้ไหมหยุดการอยากได้เงินได้หรือเปล่าอยากได้ความสุขจากคนนั้นคนนี้หยุดได้หรือเปล่ายังต้องอยู่กับแฟนหรือเปล่ายังอยากให้แฟนอยู่กับตนไปอยู่นานๆหรือเปล่าอันนี้แหละเป็นเครื่องพิสูจน์ว่า เรามีสมาธิมากน้อยเพียงไรถ้าเรามีสมาธิแล้วเราจะมีความสุขมากกว่าความสุขที่เราได้จากสิ่งต่างๆในโลกนี้แล้วเมื่อปัญญาบอกเราเวลาที่ตันหามาหลอกเราเราก็จะได้ไม่ต้องทาตามตันหาก็เร า, เราจะชั่งน้ําหนักความสุขที่เรามีจากสมาธิกับความสุขที่เราได้จากตันหามันไม่เท่ากัน แล้วยิ่งรู้ว่าเป็นความสุขปลอบด้วยเป็นความทุกแท้เป็นความทุกข์ไม่ใช่เป็นความสุขก็จะไม่ต้องจะไม่ทำตามความอยากเลยไม่อยากได้ทรัพย์ไม่อยากได้เงินทองไม่ได้อยากยากอยากได้ความสุขผ่านทางตาหูจมกูกลิ้นกายไม่อยากได้อะไรทั้งนั้นในโลกนี้เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็น ทุกทั้งนั้นสรร พ, พสร้างค่าราทุกข์คาสังขารคือสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้สิ่งที่ประกอบขึ้นด้วยดิน น, มมน้ำนมฝอนี้เรียกว่าสังขารทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นมนุษย์เป็นเดรัจฉานเป็นวัตถุข้าวของต่างๆนี้ล้วนเป็นสังขารรธรรมเป็นสิ่งทีผ่ผลิตผลิตจากดินน้ำนมไฟทั้งนั้น นี่แหละคือปัญญาปัญญาจะสอนใจที่ใจจะมีกำลังทำตามปัญญาหรือไม่อยู่ที่ว่ามีสมาธิหรือไม่ถ้ามีสมาธิก็จะทำตามที่ปัญญาสอนใจได้ไม่หาเงินหาความสงบดีกว่าความสงบมีคุณค่ามีน้ําหนักมากกว่าความสิ่งที่ได้จากความอยาก เช่นเงินทองนี่คือการทำงานของปัญญาก่อนที่จะคิดแบบนี้ได้ต้องมีสมาธิก่อนถ้าไม่มีสมาธิใจไม่สงบนี่พอใครยื่นเสนอจะให้เงินเปล่าสักแสนสองแสนนี่ก็ไปแล้วไม่คิดแล้วว่าเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเป็นอะไรก็ไม่รู้ล่ะรู้อย่างเดียวว่าต้องไปรับเงินนี้ให้ได้ เวลาเปิดทีวีเขามีประกาศลดราคานี่เป็นยังไงใจสั่นกันนะเตรียมกันไปจองข้าวของกันรัฐบาลบอกว่าจะแจกให้คันละแสนนี่ไปจองรถกันแทบโรงงานนี่แทบจะผลิตออกมาไม่ทันเนี่ยแสดงว่าไม่มีสมาธิเลยถ้ามีสมาธิแล้วเอามาทาไมลถเอามาทําะไม เอามามาให้หนัก อ, อกหนักใจเปล่าๆเอามาแล้วก็ต้องเสียค่าน้มันเสียค่าซ่อมบำรุงเอามาแล้วก็ต้องมาดูแลรักษาขับมันบนท้องถนนก็มีโอกาสที่จะตายได้แต่ไม่ยอมคิดกันปัญหาความอยากมันจะไม่ให้คิดกันเพราะใจไม่สงบถ้าใจสงบแล้วมันจะคิดทุกรอบทุกด้าน ด้านดีก็คิดด้านเสียก็คิดพอมันเห็นด้านเสียแล้วมันก็จะตกใจว่านี่เรากาลังวิ่งเข้าไปหาความตายคนที่ตายในตายในรถนี้มีมีไหมคนที่ไปตายกันในรถมีหรือเปล่าแต่เขาคิดหรือเปล่าว่าเขาจะไปตายในรถกันเขาไม่คิดเขาคิดว่าจะไปสวรรค์กันคิดว่าจะได้ไปเที่ยวกันนั่นแหละเพราะ ใจไม่สงบแล้วใจจะไม่รอบคอบใจจะไม่มีเหตุมีผลใจจะคิดน้อมไปตามตันหาความอยากเพียงอย่างเดียวจะคิดว่าดีอย่างเดียวจะคิดว่าสุขอย่างเดียวได้เงินมาก็จะคิดว่าสุขอย่างเดียวแต่ไม่คิดว่าเวลามันหมดแล้วทำอย่างไงเวลาได้มาก็ใช้มันเต็มที่เลยพอหมดแล้วเป็นอย่างไงก็กลับไปเป็นขอทานเหมือนเดิม อย่างที่มีเคยมีข่าวคนขี่ซาเลังถูกอัตเตอรีร่หกล้างได้มาก็ใช้มันแหลกเลยเพียงไม่กี่เดือนก็หมดหมดแล้วก็กลับไปขับขี่ซาเลังต่อไปเวลารวยแล้วจนนี่มันทุกข์เนี่ยแต่เวลาจนแล้วรวยมันไม่ทุกข์เวลาที่จนอยู่แล้วไม่รวยมันก็ไม่ทุกข์ ก็เพราะว่ามันเคยอยู่กับความจนมาแล้วมันไม่เดือดร้อนมันอยู่ได้ใจมันปรับได้แต่พอจากจนไปรวยแล้วจากรวยมาจนเนี่ยกลับมาที่เดียวนี่มันทุกข์แล้วเพราะเคยเพราะไปเคยเจอความรวยแล้วก็ติดความรวยอยากจะอยู่กับความรวยพอมาจนก็อยู่แบบอยู่ไม่ได้ ทุกทรมานใจเพราะใจไม่มีเหตุมีผลเวลาใจถูกกำนางของความหลงของความอยากเข้ามาครอบงำแล้วจะมองเพียงด้านเดียวจะมองแต่ด้านได้จะไม่คิดถึงด้านเสียไม่รู้ว่าได้อะไรมาก็ต้องเสียสิ่งนั้นไปไม่ช้าก็เร็วคนที่ฉลาด คนที่มีสมาธิมีปัญญาจะคิดทั้งสองด้านเช่นพระพุทธเจ้าพระอาหารหันต์ทั้งหลายนี่ท่านไม่เดือดร้อนกับการได้กับการเสียของลาบยศสารเสริญสุขเวลาได้ลาบมาก็ไม่ดีอกดีใจเพราะรู้ว่าเดี๋ยวก็ต้องเสียไปพอเวลาเสียก็ไม่รู้สึกเดือดร้อนอะไรเพราะว่าไม่ได้ไปหลงไปยึดไปติด ทรัพสมบัติเข้าของเงินทองไม่ได้อาศัยทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองให้ความสุขกับใจเพราะมีความสุขที่ได้จากความสงบจากสมาธิที่มีคุณค่ากว่าและเป็นความสุขที่ถาวรเป็นความสุขที่ไม่มีวันสูญถ้ารู้จักสร้างความสุขแบบนี้แล้วสามารถสร้างได้ตลอดเวลา ผลิตมันได้ตลอดเวลาก็เพราะมีสตินี้สตินี่แหละคือผู้ผลิตความสุขแบะอันนี้เนี่ยถึงย้อนกลับมาเห็นความสำคัญของสติว่ามีสติแล้วก็จะสามารถทาให้จิตมีสมาธิให้มีความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งหลายในโลกนี้ได้เมื่อมีความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งหลายแล้วก็ไม่ ไม่มีความยินดียินร้ายกับความสุขในรูปแบบอื่นจะได้เงินมากองเท่าภูเขาก็ไม่ได้ดีอกดีใจไม่ได้เอาไปใช้แม้แต่บาทเดียวได้มาเท่าไหร่ก็ยกให้คนอื่นไปหลวงตาได้มาเท่าไหร่ก็เข้าคังหลวงไปหมดเพราะใจท่านมีความสุขที่เหนือกวา่าความสุขที่ได้เงินทองเงินทองจะไปทำอะไรได้ ซื้อข้าวข้าวก็มีกินฟรีอยู่แล้วซื้อบ้านบ้านก็มีอยู่ฟรีอยู่แล้วซื้ออะไรก็มีอยู่แล้วปัจจัยสี่ก็มีอยู่แล้วซื้อรถซื้อไปทำไมก็ไม่ได้ไปไหนขึ้นรถไม่ไปก็ได้ถ้าจะไปไหนมาไหนลูกศิษย์ลูกหาก็มีรถ ล, ลาเยอะแยะอยากจะไปไห น, มไหนเมื่อไหร่ก็บอกลูกศิษย์ลูกหาได้ก็เลยไม่มีความจาเป็นที่จะต้องมีเงินมีทอง เรื่อความสุขทางตาหูจมูกนิ้งกายท่านก็เห็นว่ามันเป็นยาเสพติดมันเป็นยาเสพติดดีๆนี่เองแต่พวกเราไม่เห็นกันเสพแล้วติดหรือเปล่าดูหนังแล้วติดหรือเปล่าดูละครแล้วติดหรือเปล่าดื่มกาแฟแล้วติดหรือเปล่าดื่มสุราแล้วติดหรือเปล่าไปเที่ยวแล้วติดหรือเปล่าไปชอปปิ้งแล้วติดหรือเปล่ามันติดทั้งนั้นอ่ะมันเป็นยาเสพติดดีๆนี่เองแต่มองไม่เห็นกัน ไม่เห็นโทษของมันเวลาเสพเคยเสพแล้วไม่ได้เสพเป็นยังไงทลานดิ้นหนงุดหงิดลำคานใจคนอยู่ใกล้แล้วก็ต้องระวังเดี๋ยวก็โดนลูกหนงอยากจะไปชอปปิง้งไม่มีเงินชอบซะแล้วทาไงรูดบัตรเครดิตกระทั่งมันรูดไม่ได้แล้วพอเคยทามาแล้วมันติดเป็นนิสัยมันสนุกมันสุข แต่พอมันไม่ได้ทําแล้วมันทุกข์นี่แหละคือความสุขทางโลกเป็นอย่างนี้ความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายปัญญาเศษติดดีๆนี่เองผู้ที่มีความสุขทางใจจึงไม่ยินดีกับความสุขเหล่านี้จึงเป็นเหมือนอน้ําบนใบบัวใบบัวก็เป็นเหมือนจิตใจของผู้ที่มีความสุขทางใจแล้ว จะไม่ยินดีนร้ายกับการเจริญการเสื่อมของความสุขทางโลกเพราะว่าไม่ต้องอาศัยความสุขทางโลกมาเสพนั่นเองมีความสุขทางใจที่ดีกว่าที่เหนือกว่าที่วิเศษกว่าที่ท้าวรกว่าถ้าจะเกิดขึ้นได้ก็เกิดจากการเจริญสติอย่างต่อเ น, นื่องถ้าไม่มีสติแล้วก็ไม่มีวันที่จะได้พบกับ ความสุขกันนี้สติจึงเป็นเหมือนตั๋วเรือบินถ้าอยากจะบินไปต่างประเทศก็ต้องซื้อตั๋วถึงจะขึ้นเครื่องได้ถ้าอยากจะไปสวรรค์ชั้นนิพพานก็ต้องเจริญสติแล้วก็จะได้ปรมังสุ ข, ขงังความสุขใจเป็นรางวัลเป็นผลเป็นผลตอบแทน จึงต้องย้ำเรื่องการเจริญสติอยู่เรื่อยๆอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าไม่ค่อยเจริญกันเพราะว่ามันไม่ถนัดที่ไม่เจริญเพราะว่ามันไม่ถนัดคนที่เคยถนัดอะไรจะจะทำแต่สิ่งที่ถนัดเช่นคนที่ถนัดมือขวานี้จะใช้แต่มือขวาจะไม่ยอมใช้มือซ้ายเคยเขียนมื อ, มอเคยเขียนหนังสือกับมือที่เราไม่ถนัดเขียนนะ เราต้องเขียงกับมือที่เราถนัดแต่ถ้ามือที่ถนัดมันขาดไปทยํยไงมันก็หาใช้มือที่เหลืออยู่ได้ใช้ไป น, นานๆมันก็ถนัดขึ้นมาเองการไม่มีสติก็เป็นอย่างนั้นเราถนัดกับการไม่มีสติชอบปล่อยให้ใจเราลอยชอบปล่อยให้ใจเราคิดเรื่อยเปื่อย พอที่จะมาบังคับมันไม่ให้คิดด้วยเปลีย่ยมันก็รู้สึกอึอดอัดขึ้นมาเหมือนกับบังคับให้ใช้มือที่เราไม่ถนัดแต่ถ้าบังคับไปเรื่อยๆต่อไปมันก็ถนัดเองนั้นถ้าเราไม่บังคับเราไม่มีวิริยะอุตสาหะความภาคเปลี่ยนที่จะเจริญสติเราจะไม่สามารถเจริญสมาธิได้แต่ไม่สามารถเจริญปัญญาได้ จะไม่สามารถเจริญวิมุตติได้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้นี่แหละคือการปฏิบัติของเราต้องทุ่มมาอยู่ที่ทำทั้งสี่ประการนี้คือสติด้วยวิริยะเป็นผู้สนับสนุน<อ>เพื่อที่จะได้สมาธิเมื่อได้สมาธิก็จะได้ใช้สมาธิในการเจริญปัญญาต่อไป พราะผู้ที่จะเห็นอริยาาสัจสี่ได้นี้ต้องเห็นด้วยใจที่สงบเพราะอริยาาสัจสี่นี้ไม่ได้อยู่ข้างนอกใจอยู่ข้างในใจอริยาาสัจสี่นี้ก็เป็นเหมือนปลาในน้ําถ้าน้ําขุ่นนี้จะเห็นปลาเห็นตัวปลาหรือเปล่าถ้าทําให้น้ําใสเราจะเห็นหรือเปล่านั่นแหละใจตอนนี้มันขุนด้วยความโลภโกรธหลงด้วยความอยากต่างๆ ด้วยความฟุ้งซ่านมันจึงมองไม่เห็นอริยาาสัจสีแต่ถ้าทำใจให้สงบได้ด้วยการเจริญสติพอใจสงบนิ่งแล้วก็เป็นเหมือนน้านิ่งน้ำนิ่งน้ำก็จะใสก็จะเห็นตัวปลาในน้าทันใดสมาธิก็เป็นอย่างนั้นถ้ามีสมาธิแล้วพอใช้ปัญญาก็จะเห็นพอ ดูทุกข์ก็จะเห็นเลยว่าทุกข์นี้อยู่ที่ใจนี่เองจะไม่ไปโทษคนอื่นว่าเธอทำให้ฉันทุกข์เธอนี่แหละเป็นเหตุที่ทำให้ฉันไม่สบายใจจะไม่ไปโทษใครจะโทษตัวเองว่าความทุกข์นี้มันเกิดจากความอยากของเรานี้เองอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เพราะเขาไม่เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ก็โกรธก็ทุกข์แล้วก็ไปโทษเขาว่าเนี่ยเธอทาให้ฉันทุกข์รูป่า บนกับลูกเนี่ยลูกทำให้แม่ต้องทุกเนี่ยเพราะแม่ไม่ลูกไม่ยอมทำตามคำสั่งของแม่แม่ก็เลยทุกพยายามไปเคี่ยวเข็นให้ลูกทำตามความสั่งให้ได้ยิ่ ง, ย, งยิ่งเคี่ยวเข็นมากเท่าไหร่ก็ยิ่ง i, ทุกข์มากขึ้นไปเท่านั้นเพราะลูกไม่ยอมทำตามคำสั่งไม่เห็นว่าความทุกเกิดจากความอยากให้ลูกทาอย่างนั้นทาอย่างนี้ ไม่มีสมาธิไม่เห็นถ้ามีสมาธิจะเห็นเลยเพอาเวลามีสมาธินี้ใจไม่มองออกข้างนอกเป็นหละจะมองเข้าข้างในเป็นหลัก 90% จะอยู่ข้างในจะมองข้างใน 10% จะมองข้างนอกเวลาไม่มีสมาธินี้ 90% มันจะมองข้างนอกโดยบางที 99% หรือร้อยเปอร์เซ็นเลยไม่เคยมองเข้ามาในใจเลยไม่รู้ว่ามีใจเสียได้ซ้ําไป ไม่รู้ว่าใจเป็นอย่างไรเสียได้ซ้าไปโลกมันถึงวุ่นวายกันทั่วนันนี้ก็เพราะไปโทษกันบมงละสิกูละสิโทษกันไปโทษกันมาแล้วก็ตีกันฆ่ากันตายแล้วได้อะไรจากการฆ่ากันตายก็ได้แต่ซากศพ <c oughs> นี่แหละเพราะไม่มีสติกันคนในโลกเหล่านี้ส่วนใหญ่มีสติน้อยมากมีพอที่จะ ดีกว่าเดราชานิดหน่อย น, นั่นเองแต่ก็บางทีก็สู้เดราชานพอๆกับเดราชานคนบางคนสมัยนี้พอๆพอกับเดราชานไม่มีศีลห้าเหมือนกับเดราชานเพราะไม่มีสติที่จะรักษาศีลห้านั่นเคนที่มีสติรักษาศีลห้าได้ก็แสดงว่ามีสติระดับมนุษย์คนที่มีสติทําทานได้ก็เป็นคนที่มีสติระดับเทวดา คนที่มีสติทำใจให้สงบเป็นสมาธิได้ก็เรียกว่าเป็นคนที่มีสติระดับของพรหมและคนที่มีสติเห็นอริยสัจ ส, สีได้ก็เป็นคนระดับพระอริยะเจ้าตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปมีพระอริยบุคคลเท่านั้นที่มีสติปัญญาที่จะเห็นอริยสัจ ส, สีได้ น่าจะเห็นได้ก็ต้องมีพระพุทธเจ้ามาเป็นคนสอนก่อนถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าก็ไม่เห็นอีกเพราะไม่สนใจที่จะมองก็ยังมองไปข้างนอกอยู่มองไปที่ร่างกายไปมองไปที่ทรัพสมบัติเข้าของเงินทองเป็นดับจนกว่าจะมีพระพุทธเจ้ามาตารัสรู้แล้วสอนให้กลับมามองที่ข้างในถึงจะเห็นอริยสัจสี่ถึงจะเป็น โซดาบันขึ้นมาได้ถึงจะเป็นสกิดาคามีขึ้นมาได้เป็นอนาคามีขึ้นมาได้เป็นอรหันต์ขึ้นมาได้ต้องมีพระพุทธเจ้าเป็นคนเห็นก่อนเพราะไม่มีใครฉลาดเท่าพระพุทธเจ้าที่จะย้อนกลับมามองในตัวเองจะมองไปข้างนอกั้งนั้นถึงแม้จะเป็นเป็นระดับสมาด้สมาธิมาแล้วก็ตามพอออกจากสมาธิปั๊บก็ไปทางข้างนอก ท, ทันที ไปมองที่รูปเสียงกลิ่นลดไปมองที่ลาบยศสารเสริญมองที่ลายก็ทุกทุกทีเพราะเห็นว่ามันต้องเสื่อมแล้วก็แก้ปัญหาไม่ได้ก็ใช้วิธีหลบเอาพอออกมาแล้วเจอความทุกข์ก็กลับเข้าไปในสมาธิพอเข้าไปในสมาธิจิตก็สงบก็สบายก็หายทุกข์ไประยะหนึ่งพอออกจากสมาธิมาก็มาเจอปัญหาเดิมเจอความเสื่อมของลาบยศสรเสริญ แต่ความเสื่มอมควารูปเสียงกลิ่นรสก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาไม่มีใครจะเห็นอริยาาสัจสีได้นอกจากพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวพระองค์ฉลาดท่านมองข้างนอกแล้วท่านเห็นว่ามันไม่มีทางก็หันกลับก็มองข้างในเรามองเข้าข้างในก็เห็นไลยอ๋อเนี่ยตัวที่ทําให้ทุกข์ก็คือตัณหาความอยาก ตัวที่จะทําให้ดับความละตันหาความอยากได้ก็ต้องเห็นว่าของต่างๆข้างนอกนี้มันเป็นทุกข์อย่าไปอยากได้มันก็จบเห็นแค่นี้มันก็จบพอมีคนมาสอนปับ๊บคนอื่นฟังปั๊บก็บรรลุเป็นโสดาบันเลยเห็นไหมพอแสดงธรรมครั้งแรกอัญญาการทัญญก็เข้าใจเลยอ๋อสิ่งใดมีการเกิดย่อมมีการดับไปธรรมดาเมื่อมันเป็นอย่างนั้นอย่าไปอยากท่านว่าอย่าไปอยากได้ ถ้าไม่อยากแล้วมันก็จะไม่ทุกข์เข้าใจหลักอริยาาสัจสี่แล้วพระเจ้าจึงบอกอัญญาณกรทัญญะเธอรู้แล้วหนอะเธอรู้แล้วนเนอะเ่เห็นแล้วเนอเห็นอริยาาสัจสี่แล้วคนแรกที่เห็นตามที่พูะเจ้าส่งสอนพระเจ้าดีใจว่าสอนแล้วไม่ไม่เสียเวลาตอนนี้มีใครเห็นหรือยังเนี่ยคนสอนนี่สอนมาไมู่้กี่ กี่ปีแล้วก็ไม่รู้ยังไม่มีใครมาบอกว่าเห็นแล้วหนอเลยเดียขอให้เห็นอันนี้เห็นอริยสัจสี่เห็นทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคอยู่ภายในใจของเราเราจะได้ไม่ต้องไปแก้ผิดที่ไปแก้ที่ลูกไปแก้ที่สามีไปแก้ที่งานการที่สมบัติไปแก้ที่กฎหมายแก้ไปจนวันตายก็ไม่มีจบเนี่ยเดี๋ยวไปแก้เขียนรัฐมนูนใหม่ขึ้นมามันก็ไม่จบเ เพราะปัญหามันไม่ได้อยู่ที่รัฐธรรมนูญปัญหามันอยู่ที่ใจของคนที่มองไม่เห็นอริยสัจสี่ถ้าจับทุกคนมานั่งฟังนั่งสมาธิแล้วแสดงธรรมได้ให้ฟังธรรมได้รับรองได้ว่า ท, ท, ทุกอย่างจบหมดทุกคนจะอยู่กันอย่างรักกันสามัคคีกันมีแต่จะดูแลกันช่วยเหลือกันมีเมตตากรุณาโมริตาอุเบกขาต่อกัน นี่แหละคือวิธีแก้ปัญหาของโลกแต่มันทำไม่ได้เท่านั้นเองเพราะโลกไม่มีศรัทธาเพราะความหลงมันมีกำลังมากมันกลับทำให้เห็นว่าศาสนาเป็นของโบราณของราสมัยหรือของงมงายไปหารู้ไหมว่าศาสนาพุทธนี่เป็น ทางสู่การอยู่อย่างสันติอยู่กันอย่างมีความสุขไม่รู้ไม่รู้ว่าศาสนาพุทธนี่แหละคือรัฐมนูญปกครองมนุษย์ถ้าอยากจะเขียนรัฐมนุนให้เขียนเขียนจากพระพุทธศาสนาเนี่เอาคำสอนของพระพุทธเจ้านี้ไปปฏิบัติเรัรองได้ว่าทุกคนจะอยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุข เพียแต่รักษาศีลห้าได้ น, นี่ก็ตัดปัญหาไปได้เยอะแล้วตำรวจก็ไม่ต้องมีมาคอยจับขโมยคุกก็ไม่ต้องมีไว้สำหรับขังขโมยศาลก็ไม่ต้องมีมาคอยตัดสินปุ่นจงกุญแจก็ไม่ต้องมีไม่ต้องน็อกเก็บข้าวเก็บของไว้เพราะไม่มีใครจะมยจะขโมยของของใครลูกมีลูกมีกมสามีภรรยาก็ไม่ต้องกังวลว่าจะถูกคนอื่นมา มาแย่งออกไปมาฉก ช, ชิงไปเนี่เพียงแต่รักษาสีลห้ากันเธรรมนูญการปกครองของมนุษย์ก็คือสีลห้าดีๆนี่เแล้วถ้าอยากจะเป็นเหนือมนุษย์ก็ทำทานกจนช่วยเหลือกันแบ่งปันกันคนมีมากก็แบ่งให้คนมีน้อยคนมีน้อยก็จะได้สบายคนมีมากมันก็ยังสบายเหมือนเดิมอยู่ไม่ใช่ว่าแบ่งปันแล้วมันจะ มันจะทุกขึ้นมาที่ไหนมันก็ไม่ทุกยากลาบากอะไรมันก็ยังสุขยังสบายเหมือนเดิมอนี่แหละคือธรรมะของพระพุทธเจ้าเอที่เป็นที่พึ่งของโลกธรรมังสารนังกัจฉามิแต่โลกไม่หันหน้าเข้าหาธรรมังสารนังกัจฉามิกันหันหลังให้กับธรรมังสารนังกัจฉามิหันหน้าให้กับอาวุธยุทธโธปกรณ์ต่างๆสร้างอาวุธกันขึ้นมา เพื่อที่จะมาฆ่าฟันกันเนี่ยโลกเนี่ยสักวันหนึ่งจะต้องตายด้วยอาวุธพระเจ้าได้ทรงทํานายแล้วต่อไปจะเป็นยุคของมิตรสัญญีจะมองเห็นมนุษย์ด้วยกันนี้เป็นเป็นผักเป็นปลาเป็นเนื้อสัตว์ที่จะคอยเข้นฆ่ากันจะอยู่กันแบบเดรัจฉานอยู่กันแล้วยิ่งมีอาวุธร้ายแรงอย่างนี้ มันก็จะต้องล้างโลกกันอย่างแน่นอนดัง น, นั้นถ้าไม่อยากจะให้โลกเป็นอย่างที่พระเจ้าทรงทำนายไว้ก็ต้องมาเข้าหาศีลธรรมกันการจะเข้าสู่ศีลธรรมได้ก็ต้องมีสติเป็นผู้นําเข้าอีกนั่นแหละก็กลับมาที่เดิมกลับที่จุดเริ่มต้นก็คือไม่มีอะไรทําอันไดที่สําคัญเท่ากับสติธรรม ถ้าพวกเราอยากจะให้เราเจริญรุ่งเรืองเราก็ต้องกลับมาเจริญสติกันแล้วรับรองได้ว่าถ้าทุกคนเจริญสติได้ทานก็จะเกิดศีลก็จะเกิดสมาธิก็จะเกิดปัญญาก็จะเกิดมีมุติหลุดพน้นจากความทุกข์ก็จะเกิดโลกก็จะอยู่กันอย่างนุ่มเย็นเป็นสุข การแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้ผ่อนอยะถ า, าวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสากรังเอวเมวะอิโตทินางเปตานางอุปกาปติอิจิตังปัิตังตุมหังคิดปะเมวะสมิจตุ สัพเพปุรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยทามนิโชติระโสยทัสภีติโยวิวัจจันตุสัพพรโควีนัสตุมาเตภวตวันตราโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนศีลิสะมิจังุทธาปจายโน จตาโรโอธัมมาวาทานติอายุวนโนสุขังภาลางังติดตามใน Facebook อยู่แล้วดีถ้ามีปัญหาอะไรก็ก็โพสในเ c e b o o k ก็ได้แล้วเขาก็จะเอามาถามที่นี่ แล้วก็จะอัดเสียงใส่เข้าไปใน YouTube ต่อไปแล้วก็ไปฟังเปิดฟังได้ทุกเสาร์อาทิตย์ก็จะมี u t u b e ของวันของวันเสาร์ของวันอาทิตย์ตอนต้นก็จะเป็นเสียงธรรมที่เทศแล้วตอนต่อไปก็จะเป็นเรื่องตอบปัญหาธรรมทั้งของผู้ที่อยู่บนบนศาลาบนเขานี้และของผู้ที่ฝากมาทาง f a c e b o o บยัง คือการเพ่งมันก็เป็นการเจริญสติเพื่อให้เกิดสมาธิถ้าเพ่งถูกเช่นเพ่งดูลมหายใจเข้าออกอย่างนี้ก็ต้องเพ่งไม่เสียหายตรงไหนแต่ต้องรู้ว่ามันขั้นของสติกับสมาธิ การเพ่งดูลมหายใจเข้าออกก็เพื่อให้มีสติไม่ให้ใจลอยไปลอยมาแล้วถ้าเพ่งไปนานๆใจก็จะสงบเป็นสมาธิขึ้นมาแต่มันเป็นเพียงขั้นของสติสมาธิยังไม่เป็นขั้นของปัญญาถ้าขั้นของปัญญาก็ต้องหลังจากที่ออกจากสมาธิมาแล้วก็ต้องพิจารณาอนิจจ์ทุกขังอนัตตาในขันห้าก่อนอย่างที่เมื่อกี้ถาม ถามว่าการที่จะอะไรนะเมื่อกี้คำการที่จะเป็นพระอริยะจะต้องเห็นแจ้งในกายก่อนใช่ไมความจริงต้องเห็นแจ้งในขันห้าเห็นว่าขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทุกข์ก็เพราะว่าอยากให้ร่างกาย ที่เราคิดว่าเป็นของเรานีอยู่กับเราไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายพอไปเห็นความแก่ความเจ็บความตายก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาแต่ถ้ามีปัญญาเห็นว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเราความทุกข์ก็จะหายไปเพราะจะไม่มีความอยากให้เขาไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเหมือนกับเวลาที่เราเห็นร่างกายของคนที่เราไม่รู้จักเราไม่มีความทุกข์กับเขา เขาจะแก่เขาจะเจ็บเขาจะตายหรือไม่เราไม่เดือดร้อนเพราะเราไม่ไปคิดว่าเขาเป็นของเราแต่ถ้าเป็นร่างกายของคนที่เรารู้จักเช่นเราไปคิดว่าเป็นของเราเช่นสามีเราภรรยาเราบิดาเรามรรดาเราพอเขาแก่เจ็บตายเราก็ทุกข์ขึ้นมาเพราะเราไปหลงไปคิดว่าเขาเป็นของเรา เราต้องมองให้เห็นว่าร่างกายของทุกๆคนนี้ไม่ได้เป็นของใครทั้งนั้นเป็นของดินน้ํำลมไฟทำมาจากดินน้ําลมไฟแล้วในที่สุดก็ต้องกลับคืนสู่ดินน้ํำลมไฟไปถ้าเห็นอย่างนี้พิจารณาบ่อยๆพิจารณาให้เห็นว่าเป็นธาตุสี่ดินน้ําลมไฟมาทางอาหารดินมาทางอาหารน้ําก็มาทางน้ําที่เราดื่มลมก็มาจากลมที่เราหายใจเข้าออก ไฟก็เกิดจากการรวมผสมของดินกับน้ำกับลมในร่างกายเราก็ทำให้เกิดความร้อนขึ้นมามองให้เห็นว่ามันเป็นระบบการทำงานของดินน้ำลมไฟแล้วมันก็ไม่เที่ยงมันอยู่ได้ระยะหนึ่งแล้วมันก็ต้องจบเหมือนไปดูหนังดูหนังแล้วเดี๋ยวก็ต้องจบร่างกายนี้กเ็เป็นเหมือนหนังตอนหนึ่งเรื่องหนึ่ง เริ่มต้นที่เกิดแล้วก็ไปจบที่ตายแต่ไม่ใช่ตัวเราของเราเราเป็นคนดูเราเป็นคนมาครอบครองร่างกายนี้ไว้ชั่วคราวเหมือนกับคนขี่มา้าร่างกายนี้เป็นเหมือนมา้าเราเป็นเหมือนคนขี่มา้าใจนี้เป็นคนขี่มา้าเป็นคนสั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆพอร่างกายตายไปคนขี่ม้าก็ไม่ได้ตายไปกับมา้า ใจไม่ได้ตายไปกับร่างกายถ้าเห็นความจริงอย่างนี้แล้วใจก็จะปล่อยวางร่างกายได้ไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายก็เห็นแจ้งเห็นแจ้งในในความจริงของร่างกายว่าเป็นเพียงดินน้ำลมไฟไม่ไปยึดไปติดไม่ไปอยาก็จะไม่ทุกข์ไม่ทุกข์ก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ิที่เกี่ยวกับร่างกาย ก็จะได้เป็นพระ อ, อริยบุคคลขั้นที่หนึ่งคือขั้นพระโสดาบันถ้าอยากจะขึ้นไปขั้นที่สองพระสกิฎคามีพระ อ, อนาคามีขั้นที่สามก็ต้องละความอยากในการมาลมยังยังติดอยู่กับความสวยงามของร่างกายของคนอื่นเห็นความเห็นคนสวยคนงามก็อยากจะได้เขามาเป็นคู่ครองมาร่วมหลับนอนมาให้ความสุข คันนี้ต้องเจริญอสุภะอย่างที่หนังสือที่เอามาให้เนี่ยกายะกะตาสติเนี่เป็นหนังสือที่สอนวิธีพิจารณาส่วนที่ไม่สวยงามของร่างกายอย่ามองเพียงด้านเดียวอย่ามองแต่ด้านสวยร่างกายนี้มีทั้งด้านสวยและด้านไม่สวยด้านไม่สวยส่วนใหญ่ก็จะอยู่ภายใต้ผิวหนังต้องมองเข้าไปใต้ผิวหนังผ่าผิวหนังออกมาดู เช่นไปดูเขาผ่าศพที่โรงพยาบาลหรือดูภาพที่เขาถ่ายมาให้ดูแล้วพยายามมาเจริญมาเพ่งอยู่เรื่อยๆมาเละลึกอยู่เรื่อยๆนึกถึงมันอยู่เรื่อยๆเวลาเกิดการมารมพอนึกถึงภาพเหล่านี้มันก็จะดับการมาลมได้ก็จะทําให้ไม่มีความอยากจะเสพกามกับใครต่อไปก็จะได้บรรลุเป็นขั้นที่สองที่สามไป ขั้นที่สองก็คือทำให้เบาบางทำให้การอารมณ์เบาบางแต่ยังไม่หมดขั้นที่สามนี้ทำให้การอารมณ์หมดเลยที่หมดเพราเพราะว่าทุกครั้งที่เห็นความสวยทุกครั้งที่เกิดการอารมณ์ขึ้นมาก็จะมีอสุภะเข้ามาดับทันทีเห็นเห็นส่วนที่ไม่สวยมาดับทันทีแต่ถ้าขั้นที่สองนี้บางทีก็เห็นบางทีก็ไม่เห็นบางทีก็ลืม บางทีก็ลืมอสุภะบางทีก็ไม่ลืมเวลาที่ไม่ลืมการอารมณ์ก็ดับเวลาที่ลืมก็การอารมณ์ก็เกิดไม่ดับนี่เรียกว่าขั้นที่สองขั้นที่สามขั้นที่หนึ่งสองสามนี่เกี่ยวข้องกับร่างกายทั้งนั้นทั้งหมดเลยต้องพิจารณาร่างกายให้เห็นแจ้งในเรื่องของร่างกายทั้งส่วนที่เป็นดินน้ำลมไฟทั้งส่วนที่เป็นอสุภะคือไม่สวยไม่งาม ถึงจะบรรลุถึงอริยบุคคลขั้นที่3ได้คือขั้นพระอนาคามีนี่คือการเจริญปัญญาแต่ก่อนจะเจริญปัญญาได้ต้องมีสมาธิก่อนถ้าไม่มีสมาธิใจจะไม่มีกาลังที่จะต่อต้านความอยากความอยากจะดึงใจให้ไปคิดถึงเรื่องของการอารมณ์คิดถึงเรื่องของการเป็นตัวเป็นตนเป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นเราเป็นของเราอยู่ แต่เวลาทำใจให้สงบแล้วกำลังของของกิเลสมันจะถูกตัดลงทำให้มันจะไม่ดึงจิตให้ไปคิดในทางนั้นเราก็จะสามารถดึงจิตให้มาคิดในทางอันนี้จังทุกขงังอนัตตาในทางอสุภะในทางดินน้ำลมฝ่ายได้พอคิดบ่อยๆก็จะเห็นก็จะจำได้พอจำได้แล้วก็เวลาเห็นร่างกายก็จะไม่หลงอีกต่อไป ไม่หลงว่าเป็นตัวเราของเราจะเห็นว่าเป็นเพียงอวัยวะอาการสารสิบสองเป็นดินน้ำลมไฟเห็นว่าต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปในที่สุดก็จะไม่ต่อต้านความจริงยอมรับความจริงเห็นว่าไม่สวยไม่งามก็จะไม่เกิดการอารมณ์ขึ้นมาก็จะอยู่คนเดียวได้อย่างสบายไม่ว้าเหวไม่เศร้าส้อยหงอยเหงา การอารมณ์นี่แหละเป็นตัวที่ทำให้เรามีความรู้สึกว่าเว่ซ้อยเศร้าเศร้าซ้อยเให้เหงาต้องมีเพื่อนต้องมีคู่ครองแต่การมีเพื่อนมีคู่ครองก็เท่ากับมีความทุกข์ขึ้นมาอีกกองหนึ่งเพราะคู่ครองของเราเขาก็ต้องแก่เจ็บตายเหมือนกันเขาก็มีอารมณ์ดีบ้างไม่ดีบ้างเวลาเจออารมณ์ไม่ดีเข้าเราก็ทุกข์ การอยู่คนเดียวนี้แสนจะสบายแต่อยู่กันไม่ได้เพราะถูกความเศร้าส้อยหงอยเหงาถูกการอารมณ์มันเขย่าใจอยู่เรื่อยๆเลยต้องยอมทุกข์กับอีกคนหนึ่งมันก็เลยแบบสุขสุดิบดิสุขบ้างทุกข์บ้างทุกซื้สส่วนใหญ่แต่ผู้ที่มีมีปัญญาคือเห็นอสุภะเห็นความไม่สวยงามของร่างกายก็จะ ตัดกา ร, อารมอลลุ่มได้จะไม่รู้สึกเศร้าส้อยงอยเหงาว้าเ w e จะอยู่กับความสงบที่เกิดจากสมาธิได้ต้องมีสมาธิก่อนถึงจะสามารถพิจารณาปัญญาได้เหมือนกับคนที่จะทำงานต้องกินข้าวก่อนต้องมีอาหารให้กินให้อิ่มก่อนถึงออกไปทำงานได้การทำงานคือการเจริญปัญญาก็เป็นการทำงานของจิตใจจิตใจจะออกไปจเจริญปัญญาได้จิตใจต้องมีอาหารหล่อเลี้ยงก่อน อาหารหรอเลี้ยงของจิตใจก็คือความสงบคือสมาธินี่ถ้าจิตใจไม่สงบนี้เอาไปทำงานทางปัญญาจะทำไม่ได้พิจารณาได้แค่สองสามวินาทีก็ไม่อยากจะพิจารณาแล้ว่คนาจะทาว่าีาะนอยากเียวทอสยากก็ท่านต้องเข้าหาพระพุทธศาสนาไง ต้องคบคนผิดบัณฑิตอย่าคบคนโง่อถ้าพวกเราชอบคบคนโง่กันคนโง่ก็คือคนที่มีกิเลสตัณหาหต่างๆเรียกว่าคนโง่คนเจราก็คือพระพุทธเจ้าพระอาหารหันต์เนี่ยท่านไม่มีความโลภความอยากเราครบคนผิดแล้วเราต้องหันเข้าหาพระพุทธศาสนาหันเข้าหาแสงสว่าง ถ้าเราไปทางความโลภความโกรธความหลงนี่ก็เป็นกลับไปเข้าสู่ความมืดมันยากก็เพราะว่าเราอาจจะมาเกิดอยู่ในวงการของคนมืดบอดถ้าเราไม่มีแสงสว่างในตัวเราเราก็จะหาทางออกไม่ได้ถ้าเรามีโอกาสได้ไปคบกับพบกับคนฉลาดก็ถือว่าเป็นบุญการได้พบสัมมณะเนี่ย เป็นมงคลอย่างยิ่งการได้พบพระอริยบุคคลขั้นต่างๆนี่ถือว่าเป็นบุญอย่างมากเพราะท่านจะให้แสงสว่างกับเราท่านจะบอกให้เรารู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดพอเราได้พบไ ด, ได้เห็นแสงสว่างแล้วเราก็จะได้รู้จักว่าทางเลือกของเรามีอยู่เราไม่ต้องไปไปทางนี้เหมือนเมื่อก่อนนี้มีอีกทางหนึ่ง อยู่ที่ว่าเราจะไปได้หรือไม่เพราะว่ามันเป็นเหมือนกับการเลิกเสพยาเสพติดนั่นเองทางที่เราไปอยู่นี้เป็นเหมือนทางของการเสพยาเสพติดการที่จะเลิกหาลาบยศรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกเล่นกายนี้เหมือนกับการเลิกเลิกเสพยาเสพติดมันก็อยู่ที่เราว่าเราจะ เลิกหรือไม่อยากจะเลิกหรือไม่ไม่มีใครที่จะทำแทนเราได้ถ้าเราฟังเทศฟังธรรมบ่อยๆ อ, อยู่ใกล้กับบัณฑิตบ่อยๆเห็นคุณประโยชน์ของการปฏิบัติตามคาสอนของบัณฑิตเราก็จะมีกำลังจิตกำลังใจที่จะปฏิบัติไปเองแล้วพอปฏิบัติก็จะมีกำลังมากขึ้นไปเรื่อยๆ และในที่สุดก็จะกลายเป็นบัณฑิตขึ้นมาเองต่อไปงั้นขอให้พยายามคือจะทำเล่นนึงแล้วก็แทนจะทำเล่นต่อต่อถ้าจะนทีสารที่กำลังทำเป็นฝ่ายได้ไหมได้ไม่ไม่ไม่ห้ามไม่ไม่ไมสงวนฤกษ์กระสีเพียงแต่ว่าขออย่าเอาไปทําเป็นเป็นทางพาณิชย์ก็แล้วกัน อย่าเอาไปค้าขายแล้วก็อย่าเอาไปตัดเนื้อเอาไปเปลี่ยนแปลงเอาไปตามตามต้นฉบับนี่ไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็อย่าเอาไปขายขอให้จำนายแจกเป็นธรรมทานไม่ต้องขออนุ ญ, ญาตทำได้เลยทำ mm hmm. ดานทเป็นธรรมทานเสร็จแล้วก็จอมนานะ การให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงเพราะทำให้คนเจรจาทำให้คนเป็นบัณฑิตขึ้นมานี่เองอ่ามีใครอยากจะถามอีกไหมไม่เป็นไรใส่ไปใส่ไปในนั้ น, น, น เป็นือีการเนทีปเรื่องอะไรรอครับน้อาอว่าไม่ยกเว้นไม่ยกเว้นไม่ยกเว้นทุกอย่างเป็นอนัตตาหมดแล้กวการที่บอกว่าจีเป็นของเร า, าอันนี้เป็นสมมุติคำสมมุติที่เราใช้ใช้ในในขณะที่เรายังคุยกันเรื่องเรื่องเรื่องสมมุติอยู่ แต่จิตความจริงมันก็ไม่ได้เป็นของเราจิตมันไม่ได้เป็นของใครทั้งนั้นมันเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งเหมือนกับดินน้ำลมไฟเองแต่ว่ามันเกิดมีสมมุติเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยมันก็เลยทำให้เกิดมีความรู้สึกว่ามีตัวเราของเราอยู่ในจิตขึ้นมาท่า น, นเองเป็นความรู้สึกนักคิดที่เกิดจากอวิชชาความหลง พอเราศึกษาแล้วเราก็จะเข้าใจว่ามันไม่ใช่เป็นของจริงคําว่าเราของเรานี้เป็นไม่ใช่ของจริงของจริงแล้วไม่มีคําว่าเราของเราเป็นอนัตตาหมดต้นไม้ใบหญ้ากุฏิขของต่างๆนี้มันไม่เป็นของใครมันเป็นของธรรมชาติมันมีมาอยู่แต่ดั้งเดิมเราอาจจะมาผลิตมันมาปรุงแต่งมัน เอาส่วนนั้นส่วนนี้มาผสมกันเลยก็ทำให้มันเป็นอย่างนั้นคืออย่างนี้ขึ้นมาแล้วในที่สุดมันก็จะแยกกลับคืนสู่สภาพเดิมต่อไปสิ่งที่เป็นอนัตตาก็มีอยู่หกดินน้ำธาตุธาตุทั้งหกทานสี่คือดินน้ำลมไฟธาตุรู้ก็คือใจแล้วก็อากาศสาัทธาก็คือความว่างนี่แหละที่เรียกว่าธาตุทั้งหก ทั้งจักรวาล น, นี้ก็เกิดจากธาตุทั้งหกนี้เกิดจากการรวมตัวผสมปรุงแต่งทําให้เกิดเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นมนุษย์เป็นเดรัจฉานเป็นต้นไม้เป็นภูเขาเป็นดวงดาวดวงจันทร์อะไรนี่ก็เป็นเรื่องของธาตุทั้งทั้งหกนี้ที่เราต้องการที่จะมาทําลายแก้กความหลงท่านนั่นเอง พอเราไม่มีความหลงแล้วเราก็จะปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างให้เป็นไปตามความเป็นจริงของเขาถ้ารู้ก็ปล่อยให้รู้ไปเท่านั้นอย่างที่พระเจ้าทรงสอนว่าเห็นอะไรก็ให้สักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่ารู้อย่าไปคิดว่าเป็นเราเห็นนึกเราเห็นนู่นเห็นนี่เห็นสิ่งนู่นเห็นสิ่งนี้ไอ้หลังนี้เป็นความหลงทั้งนั้นเป็นอวิชชา สิ่งที่เห็นมันไม่ได้บอกว่ามันเป็นอะไรเราไปตั้งชื่อให้มันเองนั่นนะทำว่าต้นไม้มันก็มาจากเราไปตั้งมันเองบางคนมาถามว่าต้นไม้นี่ชื่ออะไรเราเราอยู่กับมันมาต้องนานมันไม่เคยบอกเราทักที <laughs> เราก็ไม่รู้ว่ามันชื่ออะไร <laughs> อ่า น, นจริงๆมาอยู่ันเขานนี้เกือบสามสิบปีแล้วไม่รู้จักต้นไม้หรอกมันชื่ออะไรไม่เคยถามมัน <laughs> มันก็ไม่เคยบอกเราเราก็ไม่สนใจที่จะรู้ ลาแล้วมืบยบกึ็ดย่ัออกมานยบก็แสดงว่ามันยังไม่สงบเต็มที่ถ้าจิตสงบแล้วมันจะไม่มีอะไรยิบยับมันจะนิ่งเฉยมันจะว่างจะสักแต่ว่ารู้อย่างเดียว ถ้ายัง ย, ยิบยับยิบยับอยู่แสดงว่ามันยังไม่สงบยังมีสังขารความคิดปุ่มแต่งอยู่ก็ต้องภาวนาต่อไปจนกว่ามันจะนิ่งสงบว่างไม่มีอะไรยิบยักตอนนั้นถึงจะเรียกว่าจิตสงบเต็มที่ถ้าจิตสงบเต็มที่แล้วก็จะเป็นฐานกําลังของการเจริญปัญญาเพื่อที่ต่อสู้กับตัณหาต่อไป ค่คุณตอบเจอได้เลยครับต่อไปเป็นคำถามจากทางเฟ e บุ๊กพระจา์สุชาติพิชาโตนะครับคำถามข้อแรกนะครับหากความคิดที่ก่อให้เกิดการพัฒนาต่อการปฏิบัติของตนคือปัญญาแล้วความคิดการวางแผนระบบต่างๆแต่แต่เป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อผู้อื่นมินาประโยชน์สู่ตนเป็นปัญญาหรือไม่ เป็นปัญญาต่างระดับกันเนี่ยปัญญามันมีหลายระดับระดับ ร, ระดับโลกียะก็มีระดับโลกุตตะก็มีระดับโลกียะก็ทำประโยชน์ให้กับสังคมทำให้ประโยชน์ให้กับโลกระดับโลกุตตะก็ทำประโยชน์ให้แก่จิตใจเพียงอย่างเดียวเพื่อให้จิตใจได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายนั้นก็ขึ้นอยู่ว่าเรามีปัญญาในระดับไหน ข้อต่อไปนะครับยึดพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งแต่ไม่ค่อยได้ไปวัดไตรบาต ท, ทำบุญหรือร่วมงานกรถินพระป่างานบุญสร้างพระสร้างวัดสร้างสาราใดๆแต่ให้ธรรมทานให้เป็นสื่อรมคอยช่วยเหลือธนุํารุงพระพุทธศาสนาปฏิบัติ บ, ตบูชาเพียอย่างเดียวถือว่าถูกต้องและครบถ้วนตามหลักปฏิบัติหรือไม่ คงไม่ครบถ้าครบก็คงจะต้องทำอย่างคนอื่นเขาทำกันบ้างแต่ก็ไม่สาคัญว่าจะต้องให้มันครบขอให้มันครบทานศีลภาวนาก็แล้วกันขอให้มันครบสามตัวนี้ก็แล้วกันจะทำอยู่ในรูปแบบไหนก็ได้ทานนี้มันมีหลายรูปแบบเช่นไปถวายสังฆทานนี่ก็เป็นทานถวายกระถินก็เป็นทานสร้างโบสถ์สร้างกุฏิสร้างวิหารก็เป็นทานอันนี้เรียกว่าขั้นทาน ศีลก็คือต้องศีลห้าศีลแปดขึ้นไปขั้นภาวนาก็เนี่ยถึงจะเรียกว่าปฏิบัติบูชาก็คือเจริญสติอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ตื่นจนหลับเดินจงกรมนั่งสมาธิทำใจให้สงบใจสงบแล้วก็ออกทางปัญญาพิจารณาไตรลักษณิจังทุกขังอนัตตาอันนี้ถึงจะเรียกว่าปฏิบัติบูชาดังนั้นก็ ควรที่จะทำให้มันครบสูตร <Yeah. S 1> เพราะบางทีเราไปคิดว่าเราปฏิบัติบูชาแต่มันอาจจะเป็นเรื่องของกิเลสที่มีความตนหนีไม่ยอมเสียเงินเสียทองอยังหขงเงินโวงทองอยู่ก็เลยอ้างปฏิบัติบูชาเพราะปฏิบัติบูชาแล้วไม่ต้องเสียเงินเสียทองอันนี้ก็ต้องระวัง ต้องดูว่าเรายังมีความตันหนียังมีความหวงในทรัพสมบัติเข้าของเงินทองอยู่หรือเปล่าถ้าเรายังมีความหวงอยู่เราก็ต้องทำทานไม่ใช่มาอ้างว่าผมปฏิบัติบูชาแล้วผมไม่ต้องทำทานปฏิบัติไปมันก็มันไม่ได้เป็นปฏิบัติมันจะเป็นมันจะเป็นการปฏิบัติให้กับกิเลสมากกว่าปฏิบัติให้กับความตนหนีความที่เหนียวความหวงทรัพสมบัติเข้าของเงินทอง ฉะั้ต้องต้องสังเกตดูที่ใจของเราเป็นหลักว่าใจของเราขั้นต้นมีความตันหนีหรือเปล่ายังมีความรักความหวงทรัพย์สมบัติเข้าของยังมีความโลภอยากได้ทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองหรือเปล่าถ้ายังอยากอยู่ก็ต้องทําทานให้มากเพื่อทําลายความอยากเรารักษาศีลห้าได้หรือเปลารักษาศีลแปดได้หรือเปล่าลกา่น อ, าอนที่เราจะไปปฏิบัติ มันต้องมีสินห้าสินแปดก่อนมันต้องดูเป็นขั้นขั้นไปถ้าเราไม่มีความตะันฑ์เงินทองแล้วไม่หวงเราไม่โลภมากเราอยู่แบบสมถะเรียบง่ายมากน้อยสันโดษได้นี่ก็ไม่ต้องทำทานก็ได้ถ้าคุณไม่มีเงินที่จะทำทานก็ไม่ต้องทำทานแล้วคุณรักษาสินห้าได้หรือเปล่าบ่อยสุดหรือเปล่ารักษาสินห้าได้แล้วรักษาศินแปดได้หรือเปล่า ถ้ารักษาศีลแปดได้ออทีนี้ไป ป, ปฏิบตับติบูชาก็จะเรียกว่าปฏิบัติจริงแล้วไม่ได้ปฏิบัติเพื่อเป็นข้ออ้างเพื่อที่จะได้ไม่ต้องไปทำทานไม่ต้องไปรักษาศีลมันต้องต้อ ง, องพิจารณาให้รอบคอบมันจะถูกกิเรตหลอกได้ข้อต่อไปจากคุณสีินาสนะครับขนาดซือศีลแปดดื่มกาแฟลาเต้ตอนบ่าย ผิดศีลหรือไม่ทำไมคารโยเกิร์ตหรือช็อกโกแลตไม่ผิดคือของที่บริโภคนี้พระพุทธเจ้าส่งให้แบ่งแยกไว้สามชนิดด้วยกันชนิดแรกท่านเรียกว่าอาหารอาหารคืออาหารก็คือหมายถึงสิ่งที่เราบริโภคได้ไม่ไม่ไม่เกินเที่ยงวันไปแล้ว เช่นกับข้าวกับปลาก๋วยเตี๋ยวข้าวผัดอะไรต่างๆอันนี้เราเรียกว่าอาหารถ้าอาหารนี้ถ้าถือศีลแปดก็ได้เพียงเที่ยงวันหลังจากนั้นเราก็ห้ามรับประทานแล้วชนิดที่สองที่ทรงอนุมัติอนุ ญ, ญาตให้รับประทานได้หลังจากเที่ยงวันไปแล้วคือเพศสัตวห้าชนิดด้วยกันในสมัยพุทธกาลเขาเรียกว่ า, นนนาเนยข้นเนยใสอ น้ำอ้อยน้ำพึ่งน้ำมันเราต้องคาว่าจำว่าคาว่าเภษัชด้วยนะคาว่าเพสัตก็คือยา <c oughs> กินเพื่อรักษาเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยอ น, นุญาตให้กินพวกนี้เป็นยาได้แต่สมัยนี้พี่เราเล่นกินกันทุกคนเลย <c oughs> ป่วยแล้วไม่ป่วยก็ <c oughs> เอ า, วาความหิวเป็นความป่วยไป <c oughs> เรียกว่าเลี่ยงบาลีเข้าใจอันนี้คือยาที่ รับถ้าพาดรับประเคนแล้วถ้าอนุญาตให้เก็บไว้ฉันได้เจ็ดวันทีนี้สมัยยุคปัจจุบันนี้เขาก็เลยต้องมาวิเคราะห์กันว่าไอ้พวกนี้มันจะมีอะไรที่เราใช้ที่เรากินกันอยู่ทุกวันนี้พอจะอยู่ในข่ายของเพสัตว์นี้ได้เขาก็วิเคราะห์ว่าโกโก้นี่ก็กินเป็นยาคนที่เก็บไขยได้ป่วยเขาว่าชงโกโก้ให้คนไข้กินเพื่อพื้นฟู ก็ถือว่าเป็นยาที่โกโก้ไอช็อกโกแลตมันก็ทํามาจากโกโก้เออแล้วมันก็มีแต่น้ําตาลมันก็ถือว่ามันไม่ได้เป็นอาหารมันก็เขาก็เลยสงเคราะห์เข้าไปว่าเป็นเพสันต์เจ็ดวันไว้กินได้เวลาไม่สบายทีนี้ไม่สบายก็ต้องไปตีความไปกว่าความไม่สบเนีย่ยขดหลวงมีอนุ ญ, ญาตให้ ส่วนน้อยน้อยนอยข้นน้อยสายเขาก็แปลว่าน้อยข้นก็เป็นน้อยแข็งไปน้อยสายก็น้อยที่เราทานขนมปังอืน้อยสายก็กินได้เอนี่ก็เลยถือว่าเป็นเทศอยู่นี่ก็คือเป็ น, นเป็นสิ่งที่บริโภคได้หลังจากเที่ยงวันไปแล้วแต่ถ้ารับถ้าเป็นพระรับของไว้ก็จะเก็บไว้ได้ไม่เกินเจ็ดวันไม่ให้สะสมเพราะว่ามันควรจะหายแล้วเจ็วันเนี่ย แล้วก็มีของบริโภคชนิดที่สามเรียกว่ายารักษาโรคยารักษาโรคเช่นเราไปได้จากโรงพยาบาลจากร้านขายยาเนี้ยยานี่สามารถรับประทานได้ตลอด24ชั่วโมงตามความตามคำสั่งของแพทย์ของหมอหรือตามความตามคำสั่งของยาที่เขากำกับไว อันนี้ถ้าพระรับประเคนก็สามารถเก็บไว้ได้ตลอดเพราะว่าโาครคภัยไข้เจ็บมันอาจจะเกิดขึ้นได้ทันทีทันใดเกิดท้องร่วงขึ้นมาก็จะได้กินยาแก้ท้องร่วงได้เกิดปวดศรีรษะขึ้นมาก็กินยาแก้ปวดศรีรษะได้นี่คือของที่พระเจ้าทรงให้แยกไว้สามชนิดด้วยกันถ้าเป็นอาหารนี้ก็ต้องเช่าถึงเพนถ้าถือศีลแปด ถ้าถือุูตงขวัตก็แค่มือเดียวพอฉันเสร็จแล้วก็จบนี่ของบางอย่างในสมัยนี้ท่านก็ตีความว่าเป็นอาหารเช่นพวกนมนี่ท่านถือว่าเป็นอาหารนมก็ดื่มหลังเที่ยงวันไปแล้วไม่ได้แต่ท่านอนุญาตให้ดื่มน้ําปานะได้น้ําผลไม้น้ําแต่น้ําผลไม้นี่ต้องทานจาก ผลไม้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่ากัมปั้นผลไม้ที่ใหญ่กว่าเช่นะมล ะ, ปปะละโกสับปะรดมะพร้าวแตงโมอะไรพวกนี้ถือว่าใช้ไม่ได้ต้องเป็นส้มเป็นองุ่นเป็นแอปเปลิลอะไรพวกนี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์และเวลาคั้นก็ต้องกรองเนื้อออกให้หมดไม่ให้มีเนื้อให้มีแต่น้ํา จึงจะอนุญาตให้ฉันเป็นน้ำปานะหรือน้ำผลไม้เพื่อให้กำลังแก่ร่างกายบ้างอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทรงอนุญาตแต่พวกน้านมนี่ท่านไม่ให้น้ำนม น, น้ำอะไรต่างๆที่มีนมผสมอยู่โยเกินี่ไม่แน่ใจว่าเขาอนุญาตหรือเปล่าก็ไม่ทราบของบางอยาไม่มีไม่มีในสมัยพระพุทธการ ก็เลยต้องอาศัยการวิเคราะห์ของครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ท่านได้รับข้อมูลมาท่านก็จะวิเคราะห์ไปตามตามพระวิไงถ้าท่านว่าตกลงก็ฉันได้อันนี้ก็อาจจะต้องเป็นไปตามวัดละกันวัดนี้ฉันได้วัดนั้นฉันไม่ได้ก็เพราะว่าอาจารย์แต่ละองค์ท่านวิเคราะห์ต่างกันไปเะฉั้นเวลาเราอยู่วัดไหนเราจะไปอ้างวัดนู้นเอ๊ะทำไมวัดนู้นฉันได้นะวันนี้ฉันไม่ได้อ นะเราก็ต้องเคารพกฎระเบียบของแต่ละวัดไปกับล้วกันถ้าเราไม่อยากจะทำตามที่เขาทำเราก็ต้องเปลี่ยนวัดคำถามข้อต่อไปจากคุณกิษนะนะครับตอนนี้ใจอยากบวชอยากปฏิบัติแต่ด้วยความเป็นลูกคนเดียวของพ่อแม่จึงต้องทำงานหาเงินและเลี้ยงดูท่าน ท่านก็อยากให้เราแต่งงานมีครอบครัวแต่เราก็ปฏิเสธมาตลอดท่านไม่อยากให้เราบวชแล้วเราควรทําอย่างไรถึงจะเดินไปสู่เป้าหมายของเราได้ก็มีตัวอย่างอยู่หลายตัวอย่างหนึง่งพระพุทธเจ้าก็เป็นตัวอย่างอย่างหนึง่งพระราชบิดาก็ไม่ต้องการให้พระพุทธเจ้าบวชบูชาสร้างปรสาสาทสามฤดู ห้อมล้อมด้วยความสุขทางร่างกายอย่างเต็มที่แต่พระพุทธเจ้าก็ยังเล็ดลอดออกไปนอกกำแพงพระราชวางังแล้วก็ไปเห็นเทวทูตสี่ถึง แ, แม้มีครอบครัวแล้วมีภรรยามีลูกในที่สุดพระพุทธเจ้าก็ต้องออกบวชอยู่ดีนี่ก็กรณีหนึ่งอีกกรณีหนึ่งก็มีลูกของเศรษฐีลูกชายคนเดียวพ่อแม่มีสมบัติมาก ก็อยากจะให้ลูกอยู่สืบทอดสมบัติแต่ลูกอยากจะบวชขอบวชเท่าไหร่ก็ไม่อนุญาตลูกก็เลยอดข้าวถ้าไม่ให้บวชก็จะไม่กินข้าวอบวชพออดไปหลายๆวันข้าวพ่อแม่ก็วิตกกลัวว่าจะตายจริงก็ไปเรียกร้องให้เพื่อนฝูงมาช่วยกล่อมกล่อมอย่างไรก็ไม่ยอมฟังไม่ยอมเลิอกอดจนในที่สุดพ่อแม่ก็ต้องยอมอนุญาตให้ไปบวช อันนี้ก็เป็นกรณีศึกษาที่เราสามารถที่จะใช้เป็นแนวทางในการดำเนินของเราได้อยู่ที่ว่าเรากล้าหรือเปล่าหรือเราอยากเฉยๆอยากให้มันเท่ๆนั้นเ่งบาปตรงไหนพระพุทธเจ้าบาปตรงไหนฮะ ก็นั่นเองเพราะเขาโง่ไงเขาไม่ฉลาดคนฉลาดก็ไม่จด้ไปทําให้เขาทุกข์เขาทุกข์เขาเองอเห็นสุ น, นัขฉี่ก็ยังทุกข์เลยแต่ว่าแต่เห็นคนบวชถ้าคนมันจะทุกข์มันเห็นอะไรมันก็ทุกข์ได้ทุกอย่างทุกเรื่องอนั้นยราอย่าไปสนใจเรื่องของความทุกข์ของคนอื่นถ้าตาบใดมันไม่เกิดจากการที่เราไปทําร้ายร่างกายเขาหรือไปทําผิดศีลผิดธรรมกับเขาแล้วไม่ถือว่าผิด อก็ต้องพิจารณาให้รอบคอบสมมติว่าถ้าพ่อแม่เป็นอมภพคอมภาศไม่มีใครเลี้ยงดูถ้าเราไปบวชเนี่ยเขาตายแน่ๆอ่างนี้เราก็ไปไม่ได้หรือไปก็ต้องเอาเขาไปด้วยไปบวชแล้วก็พระพุทธเจ้าอนุญาตว่าอาหารที่ได้จากบิณฑบาตนี้เอามาเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ได้อย่างนี้ก็ยังไปได้อยู่แต่ต้องเอาไปด้วยกันเอาพ่อแม่ไปอยู่วัด แล้วก็เลี้ยงดูพ่อแม่ด้วยการเป็นพระนี้พระพุทธเจ้าอนุญาตไม่ห้ามไม่เสียหายมันเกี่ยวกับเรื่องมีพระกับเรื่อที่ที่บานี้ติดขัดขวางมก็มันก็มีหลายอย่างเชืว่าเรื่องกรรมก็มีแต่ว่าเรื่องกิเลสของเราเองก็มีบางทีกิเลสเรามันก็มาขัดขวางมันก็อ้างนู่นอ้างนี่ไปร้อยแปดพันประการดั้นเราก็ต้อง รือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นหลักพระพุทธจเจ้าบวชได้พระอริยสงสาวกบวชได้ทำไมเราจะบวชไม่ได้ท่านก็มีพ่อมีแม่เหมือนเราท่านก็มีบุญมีกรรมเหมือนเราท่านก็มีกิเลสเหมือนเราคิดแค่ น, นี้มันก็จบใช่ไมเราไม่รู้จักคิดกันเพราะว่าเรายังไม่ได้อยากจะบวชจริงๆนั่นเองถ้าอยากจะบวชจริงๆเราจะมีอะไรมาขวางได้ แช่ไมอยากจะได้ผัวพ่อแม่ไม่ให้ยังหนีตามเลยอ่าข้อต่อไป <c oughs> ครับคำถามข้อต่อไปจากคุณหยุ่นนะครับเป็นอริยบุคคลแล้วนิพพานถือว่าหนีไปจากกฎแห่งกรรมเอาตัวรอดหรือไม่อันนี้มีคนฝากถาม ก็คนติดค uh. ุกแล้วคนเนี่ออกจากคุกนี่คนเอาตัวรอดหรือเปล่าคนอยากจะอยู่ติดคุกหรือเปล่าก็เหมือนกันแหละเว้ว่าตายเกิดนี่ก็เป็นคุกของการเกิดแก่เจ็บตายดีๆนี่เองนีใครอยากจะติดคุกอยู่กับการเกิดแก่เจ็บตายบ้างถ้ามีแต่อยากจะออกจากคุกกันทั้งนั้นงั้นพอออกจากคุกได้แล้วหาว่าเอาตัวรอดะก็ต้องเอาตัวรอดพครยามาช่วยเราได้อัตาฮิอัตานุนาโถ คนที่อยากจะมีเพื่อนก็อยู่ไปสิไม่ว่า ไ, ไม่มีใครห้ามข้อต่อไปนะครับการปฏิบัติธรรมคืออย่างไรทําไมต้องปฏิบัติธรรมแต่ยังหนุ่มยังสาวการปฏิบัติธรรมที่บ้านด้วยตนเองต้องทําอย่างไรบ้างวัดความก้าวหน้าของการปฏิบัติธรรมจากสิ่งใดก็ฟั่งเทศวันนี้ก็แล้วกันเนี่ยวันนี้เทศกับเทศตั้งแต่ตนน้นเรื่องของการปฏิบัติทั้งนั้น ก่เชิญเดี๋ยวกลับไปฟังดูสอนอย่างสอนอย่างละเอียดแล้ววันนี้คำถามข้อต่อไปนะครับเงินที่ได้มาจากการทุจริตหากมอบให้ญาติพี่น้องลูกหลานไปทําบุญผู้ทําบุญจะได้บุญหรือไม่หากไม่รู้ว่าเป็นเงินจากการทุจริตถ้าก็ทําบุญด้วยด้วยเจตนาด้วยความตั้งใจที่จะทําทแล้ว เขาเชื่อว่าเงินที่ได้มานี้เป็นเงินที่เขาไม่ได้บังคับให้เราให้เขาเราให้เขาเองจะจะสะอาดหรือไม่สะอาดนี้ไม่เกี่ยวกับเขาเหมือนคนมาทําบุญที่วัดนี้เราจะไปรู้เหรือว่าเอามายังไงโกงมาหรือเปล่าก็ไม่รู้พินทําผิดกฎหมายหรือเปล่าเราก็ไม่รู้อันนี้ไม่ใช่เรื่องของเราเราไม่สนใจตราบใดที่เราไม่ได้ไปขอเขาไม่ไปเรียกร้องจากเขา แล้วเขาให้มาด้วยความสมัครใจเราเอาไปทำบุญเราก็ได้บุญคำถามที่เหลือขอยกเป็นพวกนี้ครับอาจารย์ครับอ๋อจบแล้วนะเี่ยมันเยอะก็มาเยอะเลยอ่ะเนี่ยอาแค่นีเเเ้เอาอีกข้อก็ได้ครับ อ, อ้อครับข้อไหนดีครับคำถามจากคุณเบิร์ตนะครับข้อที่หนึ่งนะครับ ในสังคมปัจจุบันทำให้อดคิดไม่ได้ว่ามีความเบียดเบียนกันทั้งกายวาจาและทางใจเช่นมีหนี้นอกระบบที่คิดดอกเบีย้ยแพงมียาเสพติดระบาด ท, ทั่วประเทศมีการทนันและมีอบายามุก ป, ประเภทต่างๆอีกมากมายรวมถึงภัยธรรมชาติและผู้คนที่เบียดเบียนกันซึ่งปัญหาต่างๆเหล่านี้เราซึ่งอยู่ในสังคมนี้ก็รู้สึกเกิดความ หน้าเบื่อเกิดขึ้นในใจคิดแล้วไม่อยากที่จะอยู่ในสังคมนี้อีกเลยเราควรจะวางใจและใช้หลักธรรมใดในการอยู่กับสังคมในปัจจุบันก็ให้พิจารณาว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนทั้งเขาทั้งเราเกิดมามีกรรมถึงต้องมาแบกกรรมกันทุกวันนี้ใครทำดีก็ได้ดีใครทำชั่วก็ได้ชั่ว แต่นี้ก็พอจะทำให้เราพออยู่ในสังคมนี้ได้ข้อที่สองเมตตาเจโตวิมุตติคืออะไรเคยสวดในหนังสือสวดมนในเนื้อหาบอกว่าถ้าหมั่นทำเป็นประจำจะทำให้เกิดสมาธิเร็วขึ้นก็คือการใช้เมตตาเป็นการเจริญสติเมตตานี่ก็เป็นหนึ่งในกรรมฐานสี่สิบ การแผ่เมตตาการคิดแต่ความปรารถนาดีต่อผู้อื่นก็จะทำให้ใจสงบได้เช่นเราท่องบทที่เขาได้จัดให้ท่องสเปสัตตาอเวราหตุสเปสัตตาอปยาปชาหตุก็ท่องไปเหมือนกับบริกรรมพุทโธพุทโธนั่นแหละท่องไปแล้วก็ต้องเข้าใจความหมายของคำที่เราท่องด้วย ก็จะได้ทำให้จิตเรามีความรู้สึกนั้นขึ้นมาสัพเพสัตตาอเวราหนตุกป็หมายถึงว่าสัาตว์ั้งหลายเราอย่าเบียดเบียนกันเราเราจองอย่าจองเวรกันนะให้อภัยกันอย่าถือโทษโกดเคืองกันอภัยญาัจชาหนตุก็คือเราอย่าเบียดเบียนกันอนิคาหนตุก็ขอให้ไม่มีความทุกข์กันสุขีอตาหนังปะิหะรันตุก็ ขอให้มีความสุขรักษาตนนะให้มีความสุขทุกคนให้คิดอย่างนี้แล้วใจก็จะสงบได้เรียกว่าการจเจริญเมตตาภาวนาข้อสุดท้ายสำหรับวันนี้นะครับอาหารที่เหมาะสำหรับผู้ภาวนาและอาหารที่ผู้ภาวนาไม่ควรรับประทานมีอะไรบ้าง อาหารที่กินแล้วไม่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่ปวดท้องไม่ขับถ่ายไม่เป็นโรคภัยไข้เจ็บอาหารที่กินแล้วทำให้ร่างกายอยู่ได้ก็ใช้ได้แค่ น, นี้นะง่ายๆ <c oughs> <c oughs> อ้าวก็ขอให้ท่านได้เอานำในสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังกันในวันนี้ไปพิ จ, จารณาไปปฏิบัติ เพื่อความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอ